สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบเอ็ดเรื่องพระเจ้ากับปัญญาเพราะเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระนามสุภาษิตนะครับบทที่สองข้อที่หกถึงข้อที่เก้าโปรดฟังโพชนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้สำหรับคนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลกให้แก่คนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายพี่น้องครับใน พัมผีตอนนี้นั้นได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าบังคับบัญชาปัญญาหมายความว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทาบางสิ่งบางอย่างกับปัญญาที่จะเป็นของเราสำหรับผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่พระองค์รักขอกลับไปถึงเมื่อครั้งวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงเรื่องราวที่ว่าถ้าเราเอียงหูของเราฟังรับคำ ของพระเจ้าสะสมคำมัญชาของเราเอียงใจเข้าหาความรอบรู้เราก็จะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นประทานปัญญาให้กับเราพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าเองนั้นก็ทําอะไรกับพระปัญญาบ้างนะครับในข้อที่หกนะครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นประทาน ปัญญามาให้กับเราอันนี้คือประการแรกครับพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเราไม่เพียงแต่พระเจ้าประทานปัญญาเท่านั้นพระเจ้าประทานความรู้และความเข้าใจพี่น้องครับสามคำนี้ครับปัญญาความรู้และความเข้าใจแตกต่างกันอย่างไรตอบง่ายๆก็คือว่าความรู้นั้นเกิดจากการสะสมเกิดจากการล่ําเรียนเกิดจากการอ่านนะครับแต่ปัญญานั้นมาจากพระเจ้าครับและความเข้าใจก็เช่นเดียวกันครับมาจากพระเจ้า ความรู้นั้นก็เกิดจากการสะสมพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับทั้งสามอย่างคือปัญญาวิสตมความรู้คือ knowledge และความเข้าใจคือ understanding ล้วนแล้วแต่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเป็นของประธานครับเป็นของที่พระเจ้าประทานมาให้กับมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจที่พร้อมเที่ยบเปิดออกรับคำของพระเจ้ารับคำมัญชาของพระองค์ทำหูให้ผึงเอียงใจเข้าหาความเข้าใจร้องหาความรอบรู้ เป่งเสียงหาความเข้าใจสแสวงหาบรรดาดุดดุดจะหาเงินเสาะหาปัญญาเหมือนกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นี่แหละครับเมื่อทําอย่างนี้เราก็จะได้รับปัญญาเราจะเข้าใจว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของปัญญาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นเป็นพระปัญญานะครับหรือที่ผมเรียกว่าใช้คําว่าเป็นครูปัญญาเพราะว่าครูปัญญานั้นจะสอนเราครับในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ประทานพระปัญญามาให้กับเราให้เรามีความเข้าใจ นะครับเรามีความเข้าใจเรื่องลึกซึ้งนะครับในชีวิตของมนุษย์เราสามารถอ่านเกมออกครับเราสามารถอ่านแผนการต่างๆออกเราสามารถอ่านใจมนุษย์ได้นี่คือความเข้าใจนะครับในขณะเดียวกันครับ wisdom ก็คือปัญญาปัญญาในที่นี้จเจ้าเรียกว่าเป็นของประธานครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสําแดงให้มนุษย์ให้มนุษย์นั้นมีปัญญาในการที่ทําสิ่งต่างๆนะครับนอกจากจะมีความรู้ที่สะสมด้วยตัวเอง ที่เกิดกจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยการที่รับฟังคำเทศนาคําสอนพระว จ, จนะของพระเจ้าเนี่นะครับในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ประทานทั้งสามอย่างนี้มาให้กับคนคนที่รักพระเจ้าประการที่สองครับพระเจ้าสะสมปัญญาให้กับคนชอบธรรมหรือคนเที่ยงธรรมอันนี้อยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับพระเจ้าประการแรกคือประทานพระปัญญาให้กับเราอันที่สองพระเจ้าสะสมสติ ป, ปัญญาให้กับคนเที่ยงธรรม ค, คำว่าสะสมสติปัญญาให้กับคนเที่ยงธรรมนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นคนที่ righteous นะครับในข้อเจดนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า he provides help and protection for those who are righteous and honest แปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้านั้นได้ทรงประทานความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองนะครับมาถึงบรรดาผู้ที่ชอบธรรมและผู้ที่เที่ยงธรรมหรือสัตย์ซื่อ ป ร, ประการต่อไปครับทรงทรงเป็นโลเขาไมาเป็นโลนะครับหมายความว่าทรงทรงเป็นผู้อารักขานะครับเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราอันนี้เป็นประการที่สามขอทบทวนนะครับหนึ่งก็คือพระเจ้าประทานปัญญาให้ที่สองพระเจ้าสะสมปัญญานะครับสามพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องปัญญาให้กับเราและปกป้องชีวิตของเราผู้ดําเนินในความซื่อสัตย์ ในความจงรับพักดีเที่ยรมีกับพระเจ้าประการที่สี่ครับพระเจ้าระวังรักษาวิถีของความยุติธรรมครับคําว่าระวังรักษาวิถีของความยุติธรรมหมายถึงอะไรครับหมายถึง p r o t e ค t i o ่างนะครับก็คือว่าพระเจ้าจะทําให้วิถีของความยุติธรรมนะครับไร้ซึ่งไร้ซึ่งภาวะคุกคามแม้ว่าเราจะอยู่ในสงฆ์างฝ่ายวิญ ญ, ญาณก็ตามแต่พระเจ้ารักษาวิถีของเราไว้ไม่้เราเฟะไปไม่ให้ออกนอกรอบ ออกนอกลูนอกทางพระเจ้ายังให้ความรักของพระองค์กับชีวิตของเราที่จะไม่ให้เราออกนอกทางของพระเจ้านะครับประการสุดท้ายครับประการที่ห้าพระเจ้าสงวนทางของคนชอบธรรมพระเจ้าสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์นะครับคําว่าพระเจ้าสงวนทางไว้ก็คือพระเจ้าคุ้มของอารักขาเช่นเดียวกันชงสงวนทางไว้หมายความว่า พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่กุยทางครับและทางนี้เป็นทางที่บรรพชนของเราเดินผ่านมาแล้วเราทั้งหลายผู้รับปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราก็จะเดินไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับพระเจ้าบังคับบัญชาปัญญาครับในขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้าบังคับบัญชาตัญญาเราเองนั้นจะต้องยอมสิโลลากกับพระเจ้าครับยอมจำนวนกับพระเจ้าคอมมิตตัวเองนะครับและดีวอ์ตัวเองหมายความว่าอุทิศตัวเองปรนาตัวนะครับ ให้เกิดอะไรครับให้เกิดความเข้าใจในความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอันนี้อยู่ในข้อที่เก้าครับในคริการนั้นความชอบธรรมภาาังกฤเรียกว่า righteousness ความยุติธรรมเขาเรียก ว, ว่า justice และความเที่ยงธรรมถือว่า fairness พี่น้องครับทั้งสามอย่างนี้เราจะเข้าใจเราจะรู้จักและเราจะนำไปใช้อย่างถูกต้องได้ด้วยนั่นคือวิถีที่ดีครับวิถีที่ดีทุกๆุกอย่างเราจะรู้หมดครับพี่น้องครับ สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นไม่ใช่ของธรรมดานะครับแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ผมใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นของประธานครับของประทานทุกอย่างของประทานอันดีทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนทรงตรงลงมาจากพระบิดาที่ไม่มีการแปรปลวนอันนี้พบในพระธรรมยากรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเรียนพระเจนะของพระเจ้าอย่าลืมนะครับเพราะว่าจนะของพระเจ้านั้นจะได้การเปิดเผยสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่จะทําให้เราทั้งหลายมีปัญญา แต่เราเองนั้นขณะที่เราจะต้องมีความพร้อมในการรับพระปัญญานี้นะครับถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองนั้นไม่มีปัญญายากอบที่หนึ่งข้าบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้กับทุกทุกคนนะครับโดยไม่ลำเอียงและสมอย่างที่เป็นคำทูลขอของเขาแต่ละคนพี่น้องครับ อันนี้เป็นพระสัญญานะครับเมื่อเราอธิษฐานทูลขอวิงวอนขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะบังคับบัญชาพระพรบังคับบัญชาปัญญาที่นั่นและให้ปัญญานั้นได้ไหลหลังไหลหลังเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเทเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นก็จะรู้จักและเข้าใจว่าอะไรคือความยุติธรรมอะไรคือความชอบธรรมอะไรคือความเที่ยงธรรมอาเมน